สัพเพุทธาสัพเพธัมมะสัพเพสังฆาภาร a ปัตาปเจกานันเจยังภะรังอราหันตานันจเตเจนารักขังนิสปะโส สัพเพพุทธะสัพเพธรรมาสัพเพสังขะปัตตาปเจกานันเจยังพรังอาราหันตานันจะเจเจนารักขังปันธานิสัพพโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสรางขาอาราปตาปเจกานันจะยังภารังอาราหันตานานจเตเจนารัขังอามิสปัสโซ สัพเพขุทาสัพเพธ a p มาสัพเพสังขาราป n ัตตาปเจกานันเจยังวราราหันตาหันจเตเจนารักขังมีสัพพส o สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาราปะกาปะเกตานันเจยังบารังฮาระหันตานันจเตเสนรับทานมิสัพพโสพุทธังอธิฐามิ ธรรมังอาธิฐานิสังขังอาธิฐานิ